บทที่ 5 ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจ ไม่รู้ว่าตนกําลังเป็นทาสอยู่แต่คิดว่าจะจินตนาการถึงโลกภายนอกก็ คนในโลกส่วนมากก็ยอมจำนนอยู่กับโลกเพราะๆเพราะๆอื่นๆอีก มีรู้สึกว่าตนเองเก่งแน่ไม่มีในความจริงแล้วบังคับได้เขาไม่เคยจะเหลียวใจ ทั้งที่ถูกก็จูงจมูกอยู่ใต้ต้อยทั้งวัน คือจะก็ต้องรู้ตัวว่าทานรักษาเพื่อความหลุดพ้นเจริญภาวนาก็ต้องรู้ตัวว่าทําเพื่อการปลด เลี้ยงลูกหลานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2542